ยายไม่รู้ยายไม่ดูยายไม่แลเธอมองไม่เห็นเธอไม่เป็นคนที่ดูแลทำทำกับฉันทำามันมีกันทำเหมือนเธอแค่แต่ฉันก็รู้ฉันเฝ้ามองดูมันก็มีตา ตำมุนทุกที่ไม่มีทางแก่ยอมเธอได้แค่นี้พอฉันพอที่คนที่แสนแยาก ฝนฟามั่ ทำมันทูกที่ไม่มีทางแก่ยอมเธอได้แค่นี้พอฉันพอที่คนที่แสนแย่คงทําได้เท่านี้ทํำมันทุกที่ไม่มีทางแก่ยอมเธอได้แค่นี้พอฉันพอที